วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่7มกราคมพุทธศักราช2567เป็นวันที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัทได้ตั้งใจมาฟังเทศฟังธรรมกันเพื่อเสริมความรู้เสริมสติปัญญาความฉลาดเพื่อที่จะได้นำมาไปใช้ ในการกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจเพราะทำคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พวกเราศึกษากันนี้เป็นความรู้ที่จะนำพาซึ่งความสุขความเจริญมาให้แก่จิตใจดับความทุกข์ดับความเสื่อมต่างๆของจิตใจ สิ่งที่ธรรมะธรรมะที่เราจะฟังกันวันนี้ <Ital ien. S 2> เป็นเรื่องของสิ่งศักดิก์สิทธิ์เวลาเราอวยพรกันเรามักจะขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลละโลกจงได้ปกป้องคุ้มครองรักษาให้มีแต่ความสุขความเจริญ สิงศักดิ์สิทธ์ในสากอรโลกนี้ตามหลักธรรมก็คือกฎแห่งกรรมนี่เองกฎแห่งกรรมหรือถ้าจะแปลก็คือกฎแห่งการกระทาเพราะคำว่ากรรมนี้หมายถึงการกระทาการกระทาของใครก็การกระทาของพวกเรานี้เองล้วพวกเราคือใครพวกเราก็คือจิตใจ ไม่ใช่ร่างกายร่างกายไม่ใช่เราร่างกายเป็นเพียงเครื่องมือหรือเป็นผู้รับใช้เรา<ม>เราเป็นใจเป็นผู้รู้ผู้คิดเป็นผู้สั่งให้ร่างกายกระทาอะไรต่างๆผลที่เกิดขึ้นจากการกระทําจึงเกิดขึ้นที่ใจไม่ได้เกิดขึ้นที่ร่างกาย เรื่องของร่างกายนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของกรรมเรื่องของกายนี้มันเป็นเรื่องของกฎของธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งที่เรียกว่าตายลักเป็นร่างกายนี้มันอยู่ภายใต้กฎของอ น, นิจจังความไม่เที่ยงเมื่อเกิดแล้วมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่ว่าจะทำบุญหรือทำบาปทำดีหรือทำชั่วมันก็ไม่ได้เปลี่ยน แต่ร่างกายแต่อย่างใดร่างกายก็ยังต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายคนทําความดีก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายคนทําความชัว่ berish, วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเหมือนกันดังนั้นกฎแห่งกรรมนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของความแก่ความเจ็บค ว, มมความตายของร่างกายกฎแห่งกรรมนี้เกี่ยวกับความสุข เลื่อกความเสื่อมของใจความสุขเรือความทุกข์ของใจความเจริญเรือกความเสื่อมของใจนี่คือเรื่องของการกระทาเรื่องเรื่องของกรรมคำว่ากรรมนี้ไม่ได้หมายคำว่าบาปในภาษภาษของพระนี่คำว่ากรรมปแปลว่าการกระทาเป็นคำกลางๆ ก, <ม>การกระทานี้สามารถทาบุญก็ได้ ทำบาปก็ได้ถ้าทำดีเราก็เรียกว่าบุญถ้าทำไม่ดีเราก็เรียกว่าบาปแต่ภาษาไทยเราบางทีเรามักจะใช้คาว่ากรรมแทนคาว่าบาปกันเช่นทาบาปทำกรรมไว้อันนี้เป็นเรื่องของภาษาเฉ<ม> น, นขอให้เราเข้าใจคมหมายที่แท้จริงของกรรคำว่ากรรม กรรแปลว่าการกระทํากระทาดีก็เรียกว่าบุญกระทาชั่วแล้วกระทาไม่ดีก็เรียกว่าบาปและการกระทํานี้ <c oughs> ก็มีทำได้สามช่องทางด้วยกันทำด้วยใจเรียกว่ามโนกรรมทำด้วยวาจาเรียกว่าวาจีกรรมทำด้วยร่างกายเรียกว่า กายกรรมกรายกรรมก็คือร่างกายการกระทำโดยใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือวาจีกรรมก็คือการพูดการใช้คำพูดเป็นเครื่องมือแล้วก็มโนกรรมก็คือการใช้ใจเป็ น, เ, ปนเครื่องมือกรรมทั้งสามนี้มีกรรมคือมโนกรรมเป็นผู้สั่งการ ส่วนวจีกรรมกับกายกรรมคือการพูดการการะทำทางร่างกายนี้เป็นเครื่องมือ mm hmm. ผู้ที่ทำกรรมจริงๆก็คือมโนกรรม mm hmm. ผู้ที่ทำกรรมก็คือมโนผู้ใจ mm hmm. ใจผู้รู้ผู้คิด mm hmm. ที่เราเป็นอยู่ขณะนี้ mm hmm. เราเป็นผู้รู้ผู้คิด mm hmm. เราไม่ได้เป็นร่างกาย เวลาที่เราทำบุญเราเป็นผู้กระทำแต่เราใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือเช่นวันนี้เราจะทำบุญใส่บาตรเราก็ต้องมีร่างกายร่างกายเป็นเครื่องมือในการทำบุญแต่ร่างกายไม่ได้เป็นผู้กระทำโดยตรงเวลาที่ผลเกิดขึ้นจึงไม่ได้เกิดขึ้นที่ร่างกาย อย่าไปหวังว่าถ้าทาบุญแล้วร่างกายก็จะเจริญไปเรื่อยๆอายุก็จะยาวไปเรื่อยๆอันนี้มันเป็นไปไม่ได้เพราะร่างกายมันอยู่ภายใต้กฎของอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาคือมีการเกิดแล้วย่อมมีการเสื่อมเป็นธรรมดาเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปไม่ว่าจะทำบุญหรือทำบา มันก็ไม่มีผลเปลี่ยนแปลงต่อร่างกายแต่การทำบุญหรือทำบาปนี้มันมีผลเปลี่ยนแปลงไปที่จิตใจจิตใจเหล่านี้จะรับผลได้ทันทีคือเวลาเราทำบุญนี้เราจะรู้สึกมีความสุขใจขึ้นมาทันทีเวลาทำบาปเราจะมีความรู้สึกทุกข์ใจขึ้นมาทันที อันนี้ผลที่เกิดขึ้นทันทีในใจของเราเวลาที่เราทําบุญหรือทำบาปกันแล้วก็นอกจากความสุขหรือความทุกข์ใจนะมันยังมีความเจริญหรือความเสื่อมของใจด้วยใจนี้สามารถเปลี่ยนให้สูงขึ้นก็ได้ให้ต่ําลงก็ได้เหมือนกับ เปรียบเทียบเหมือนกับยศของทางหารยศของทางหารก็มีการเลื่อนขั้นเลื่อนยศเลื่อนตาแหน่งกันเช่นเป็นนายสิบก็เลื่อนให้เป็นนายร้อยเป็นนายร้อยก็เลื่อนให้เป็นนายพันหรือบางครั้งถ้าไปทำทำผิดเขาก็จะลดตาแหน่งลงได้จากนายพันก็ลดลงมาเป็นนายร้อยได้หรือนีไม่ดีก็ปลดปลดออกจากยศเลยไม่ให้มียศเลยก็ได้ ใจก็เหมือนกัน <c oughs> เวลาใจทำความดีทำบุญทำกุศลนอกจากใจจะได้ความสุขเพิ่มขึ้นแล้วใจก็จะได้ยศได้ตำแหน่งสูงขึ้น <c oughs> ยศตำแหน่งของใจนี้มีตั้งแต่มนุษย์ขึ้นไปจนถึงถึงพระอรหันต์พระพุทธเจ้า <c oughs> จากมนุษย์นี่ก็เลื่อนขึ้นไปเป็นเอ่อเป็นเทพ จากเทพก็เลื่อนขึ้นไปเป็นพรหมอยากพรหมก็เลื่อนขึ้นไปเป็นพระอาริยบุคคลอันนี้แหละคือความเจริญในความหมายของกฎแห่งกรรมโลกเราไม่เข้าใจมักจะไปมองความเจริญที่ในโลกกระทำทั้งสี่เจริญด้วยลาบยศสนะเสริญสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายอันนี้ไม่ใช่เป็นผล ของการกระทำของใจไม่ใช่เป็นวิบากกรรมเรื่องนอกระทำนี้ก็เป็นเรื่องของของตายรักเหมือนกันนกระทำก็ก็คือเป็นของที่ไม่แน่นอนเป็นอนิจจังไม่เที่ยง<ม>บางทีก็รวยบางทีก็ไม่รวย<ม>บางทีก็ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งบางทีก็ไม่ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง ถึงแม้ว่าจะทำความดีบางทีก็ไม่ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งก็มีบางคนไม่ได้ทำความดีกลับได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งก็มีเพราะว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมมันเรื่องของกฎของไตรลักษณมันมีเหตุมีปัจจัยที่จะทำให้มันเจริญมันก็เจริญมีปัจจัยมีเหตุที่จะทำให้มันเสื่อมมันก็เสื่อม ดังนั้นขอให้เราเข้าใจเรื่องของกฎแห่งกรรมว่ามันเกี่ยวกับเรื่องของจิตใจของพวกเราเกี่ยวกับตัวเราตัวเรานี่มาจากจิตใจอยู่ที่จิตใจมากับจิตใจไปกับจิตใจตัวผู้รู้ผู้คิดนี่เราอยู่ในในจิตใจเวลาจิตใจเจริญเราก็เจริญกับจิตใจเวลาจิตใจเสื่อมเราก็เสื่อมกับจิตใจ อันนี้คือเรื่องของกฎแห่งกรรมจะสุขหรือจะสุขหทุกข์เจริญหรือเสื่อมนี้อยู่ที่การกระทําของจิตใจเองดังที่พระเจ้าได้ทรงตัดไว้ว่าเรามีกรรมเป็นของของตนจะทํากรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นผลก็คือความสุขหรือความทุกข์ ความเจริญหรือความเสือ่อมเช่นถ้าเราทำบุญรักษาศีลห้าได้ <Yes. S 1> เราก็จะได้รับความสุขความเจริญใจเราจะมีความสุขมากขึ้นเวลาที Velvet ่ <Yes. S 1> เราทำบุญ <Yes. S 1> เราก็มีความสุขใจเวลาที่เราไม่ทำบาปเราก็ไม่มีความทุกข์ใจผลที่ทาที่เกิดจากการที่เราได้ทำบุญ และได้รักษาศีลห้าไม่ทบาบาปเราก็จะได้เลื่อนขั้นจากมนุษย์ขึ้นไปเป็นเทวดาหรือเป็นเทพไปและวร่างกายของเราตอนนี้ก็ยังเป็นร่างกายของมนุษย์อยู่แต่ใจของพวกเรานี้ได้เลื่อนขั้นขึ้นไปแล้วได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งขึ้นไปใจเป็นเทพ mm hmm. เพราะว่าเราได้ทำบุญและไม่ได้รักษาและไม่ได้ทบาบาป ในทางตรงกันข้ามถ้าเราไม่ได้ทําบุญแล้วเราทําบาปเราก็จะถูกเลื่อนขั้นลงจากมนุษย์ลงไปถ้าตามกัามนุษย์นี้ก็มีอยู่สี่ขั้นด้วยกันที่เรียกว่าอบายคือขั้นของเดรัจฉานขั้นของเปรตขั้นของอาศุลกายและขั้นของนรกนการกระทาบาปนี้มันมีสาเหตุอยู่สี่สาเหตุด้วยกัน ที่ทให้เกิดมีอบายสีขึ้นมาการทำบาปด้วยความหลงด้วยความไม่รู้คิดว่าเป็นการเลี้ยงชีพเ mm. ช่นทำบาปด้วยการเลี้ยงชีพเป็นการอยู่รอด mm. อันนี้ก็จะทำให้จิตใจลงไปเป็นเดรัจฉานร่ mm. นางกายยังเป็นมนุษย์อยู่แต่ใจได้กลายเป็นเดรัจฉานไปก็ไม่ได้กลายแบบร้อยเปอร์เซ็นเลยมันก็ค่อยค่อย กลายไปทีละเล็กทีละน้อยตามการกระทำบาปของเราว่าทามากทําน้อย mm hmm. มันก็จะกลายไปจากมนุษย์มันก็จะไม่เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แนละ้ว mm hmm. พอมันเริ่มกลายไปเป็นเดราาัจฉานถ้าเราไปทําอาชีพฆ่าสัตว์เลี้ยงชีพด้วยการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพราะเราคิดว่ามันเป็นเรื่องเอาเรื่องของการอยู่รอด mm hmm. แล้วก็ไม่ได้เป็นเรื่องผิดกฎหมายมแต่อย่างไดสังคมไม่ห้ามให้เราทำอาชีพฆ่าสัตว์ตัดชีวิตได้ฆ<ม>่าเป็ดฆ่ากา่ฆ่าปลาฆ่าอะไรเหล่านี<ม>้ไม่ได้ถือว่าเป็นการผิดกฎหมายมแต่มันผิดมันเป็นเรื่องของการผิดกฎแห่งกรรมเพราะว่ามันเป็นการกระทำบาป<ม>เพราะว่าเป็นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตข้อหนึ่งของของศีลห้าก็คือ การการไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตถ้าเราไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเราก็ทำบาปแล้วมันก็จะทำให้ใจของเรานั้นเลื่อนลงต่ำลงะะจะจะเป็นเดรัจฉานมากขึ้นก็อยู่ที่การกระทำบาปมากขึ้นไปเรื่อยๆอถ้าทำน้อยก็เป็นเป็นน้อยอ เวลาถ้าต้องไปรับวิบากไปรับผลไปเกิดเป็นเดรัจฉาน<ม>ก็ไปเกิดไปเป็นเดรัจฉานไม่นานก็พ้นโทษได้เช่นถ้าเราทําบาปเพียงไม่มากไม่กี่ครั้งอย่างนี้<ม><ม>เวลาที่บาปมันออกผลมันก็จะทําทให้เราไปเป็นสัตว์ชนิดนั้น ช, ชนิดนี้ได้แต่อาจจะเป็นไม่มากไม่นานถ้าเราค่าน้อยเราก็ไปใช้กรรมน้อย ถ้าฆ่ามากเราก็ไปใช้ใช้กรรมมากมอันนี้คือความเสื่อมของจิตใจ<ม>เหตุที่จะทำให้ใจเราเสื่อมก็คือการกระทำบาปแล้วก็ทำให้จิตใจเรามีความทุกข์ด้วย<ม>เวลาเราทำบาปถ้าเรารู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นโทษเราจะมีความรู้สึกไม่สบายใจ<ม>แต่สำหรับคนที่ไม่รู้ว่าเป็นเป็นโทษเขาก็จะไม่ทุกข์ แต่เขาก็อาจจะทุกข์ในเรื่องที่อาจจะถ้าเขาไปทำผิดกฎหมายมซึ่งบาปบางข้อนี้ทางกฎหมายเขาก็ห้า ม, มไม่ให้ทำ<ม>เช่นการไปฆ่ามนุษย์อย่างนี้ถ้าฆ่ามนุษย์นี้ถือว่าผิดกฎหมายมถ้าเรารู้ว่าผิดกฎหมายเราทำไปแล้วเราอาจจะถูกจับไปลงโทษ<ม>ถ้าเรารู้ผลของการกระทําผิดว่ามันจะมีโทษตามมามันก็จะทำให้เราเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาได้ แต่ถ้าเราไม่รู้เลยไม่รู้ภาษีภาษาเลยไม่รู้ว่าทำไปแล้วจะมีเกิดโทษขึ้นมาความทุกข์เนใจก็อาจจะไม่เกิดขึ้นมาก็ได้นี่คือเรื่องของของกฎแห่งกรรมเป็นเรื่องที่ศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าทำแล้วจะต้องเกิดผลตามมาอย่างแน่นอนช้าหรือเร็ว เบื้องต้นที่จะเกิดขึ้นแล้วที่สุดก็คือเกิดขึ้นภายในใจของเราทันทีถ้าเรารู้ผิดถูกดีชั่วแล้วเราไปทำทำผิดเราก็จะมีความรู้สึกไม่สบายใจขึ้นมถ้าเราไปทำถูกไปทำบุญทำความดีเราก็จะเกิดความสุขใจขึ้นมาอันนี้ผลนันแรกเกิดขึ้นแล้ว แล้วก็บาปที่เราสะสมไว้ในใจมันก็จะเป็นตัวที่จะดึงให้เราไปเกิดนอยบายต่อไปเช่นทำบาปด้วยความหลงด้วยความไม่รู้ว่าเป็นบาปก็จะไปเป็นเลระชานถ้าทำบาปด้วยความโลภอยากได้มากมากก็จะไปเป็นเปรตเปรตก็คือดวงวิญญาณที่มีแต่ความหิวโหวยทุกด้วยความหิวโหวย ได้เท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอถ้าทำบาปด้วยความกลัวก็เป็นอสุรกายเป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความทุกข์ที่เกิดจากความกลัวกลัวนั่นกลัวนี่กลัวสิ่งนั้นกลัวสิ่งนี้กลัวเรื่องนั้นกลัวเรื่องนี้อยู่เรื่อยๆแล้วถ้าทำบาปด้วยความโกรธอาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรม อันนี้ก็จะไปนรกเป็นดวงวิญญาณที่เรียกว่านรกนรกนี้ก็ไม่ใช่สถานที่เป็นเป็นเป็นดวงวิญญาณที่ร้อนด้วยความโกรธเกลียดเคียดแค้นอาฆาตพยาบาทเพราะทำทำบาปไปด้วยความโกรธแค้นโกรธเคืองต้องต้องล้างแค้นกันใครทำอะไรเราแล้วเราต้องล้างแค้นของตาต่อตาฟันต่อฟัน ก็จะทําให้ใจร้อนเป็นไฟขึ้นมาเป็นไฟนรกขึ้นมานี่คือสภาพมืวิบากผลที่เกิดขึ้นจากการกระทําถึงแม้ว่าจะมีร่างกายเป็นส่วนร่วมด้วยก็ตามแต่ร่างกายก็ไม่ได้รับผลใดอย่างใด ร, ร่างกายก็ยังเป็นร่า ง, างกายที่ปกติอยู่ร่างกายที่ก็ต้องแก่เจ็บตายไปตามปกติของมันอยู่ทําบุญมันก็ไม่ได้ทําให้ร่างกายะ ดีขึ้นเรือเร็วลงแต่อย่างใด ร, ร่างกายก็ต้องแก่เจ็บตายเหมือนเดิมเพราะร่างกายเป็นเพียงเครื่องมือไม่ใช่เป็นตัวผู้กระทําโดยตรงเพราะร่างกายไม่มีความรู้สึกไม่มีการรับรู้อะไรทั้งสิ้นไม่รู้ว่ามันทำอะไรเหมือนมีดกับปืนที่เวลาคนเขาไปใช้ทาําบาปไปฆ่ากันนี้มีดมันก็ไม่รู้ว่ามันไปทําบาปปืนมันก็ไม่รู้ว่ามันไปทาบาปเวลาเจ้าหน้าที่ตารวจมาจับ ไปลงโทษก็เขาก็ไม่จับมีดกับปืนไปลงโทษแต่เขาจับคนที่ใช้มีดใช้ปืนไปลงโทษทั้นใดกฎแห่งกรรมก็จะไปจับจับคนที่ใช้ร่างกายไปลงโทษไม่ได้จับร่างกายไปลงโทษร่างกายก็จับไปลงโทษไม่ได้พอร่างกายตายมันก็ร่างกายมันก็เสื่อมสลายกลับคืนสู่ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟไปก็เลย ทำโทษร่างกายไม่ได้ผู้ที่จะไปรับโทษหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วนี้ก็คือใจหรือดวงวิญญาณนะตอนที่ไม่มีร่างกายใจก็เปลี่ยนชื่อเป็นดวงวิญญาณก็จะไปเป็นดวงวิญญาณที่หิวโหยก็ไปเป็นเปรตเป็นดวงวิญญาณที่หวาดกลัวก็เป็นน ร, รกายเป็นดวงวิญญาณที่รุ่มร้อนด้วยความเครียดอาฆาตพยาบาดก็ไปเป็นนรกเป็น เป็นดวงวิญญาณที่ที่ที่ลูกที่หลงที่คิดว่าไม่เป็นการก็ผิด ถ, าาา ถ, ถ้าทำบาพเพื่อทำมาหากินก็ไปเป็นเดลอาฉานนี่คือเรื่องของวิบากของการกระทําของแต่ละดวงวิญญาณดวงใจแล้วแต่แต่ละจิตแต่ละใจพวกเราก็มีจิตใจมีจิตใจแล้วก็มีร่างกาย เราใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการทำบุญหรือทำบาปวันนี้เราก็เอาร่างกายมาวัด<ม>เพื่อมาศึกษามาฟังเทศฟังธรรมอันนี้ก็ถือว่าเป็นการกระทาบุญอย่างหนึ่งเพราะเป็นการเสริมความรู้ให้แก่จิตใจเพื่อที่จะได้รู้เรื่องบาปบุญคุณโทษรู้เรื่องของผลของบาปของบุญว่าจะเกิดอะไรขึ้นตามมาแล้วก็จะได้เอาไป ใช้ให้เกิดให้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองคือจะได้รู้ว่าถ้าทำบาปล้มจะเกิดจะเกิดผลขึ้นมากับเราผู้กระทำถึงแม้ว่าร่างกายอาจจะไม่ได้รับผลก็ตามนี่เราทำบาปแล้วอาจจะไม่ได้ถูกจับไปลงโทษก็ได้เพราะเขาอาจจะไม่รู้ว่าเราทำบาปแต่ใจของเรานี่มันรู้ว่ามันทำบาป และมันก็ต้องไปรับผลของบาปเบื้องต้นมันก็รู้สึกมีความไม่สบายใจทุกข์ใจขึ<ม>้นมาอันนี้คือเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ที่จะให้คุณให้โทษกับเราก็คือจิตใจไม่ใช่ให้คุณให้โทษกับร่างกายหรือให้คุณให้โทษกับเรื่องของลาบยศสารเสริญสุขอันนี้ทําบุญถ้าเป็นท า, าบุญเยอะๆก็ไม่ได้ทําให้ร่ํารวยขึ้น ไม่ได้ให้ไม่ได้ทําให้มียศมีตาแหน่งสูงขึ้นอาจจะยากอาจจะจนลงเสียด้วยซ้ําไปเวลาเพราะทําบุญไปเงินก็ต้องใช้ไปเรื่อยๆ ใ, mm hmm. ให้การทําบุญ mm hmm. เอก็อมีเงินทองเป็นล้านาก็อาจจะเหลือเป็นแสนก็ได้ mm hmm. ถ้าเราทําบุญอยู่เรื่อยๆฉะนั้นมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของ mm hmm. โลกธรรมทั้งสิเวลาเราทําบุญด้วยทําบาป แต่โลกเราไม่เข้าใจกันเรามักจะคิดว่าถ้าเราทำบุญทำความดีแล้วเราจะต้องเจริญด้วยลาบยศเสริญ ส, สุขกันอพอเราไม่เจริญเราก็เลยเกิดความเสื่อมศรัทธานในเรื่องของกฎแห่งกรรมเพราะเห็นว่าคนทำดีแทบเป็นแทบตายกับไม่ได้ดบได้ดีแต่คนทำไม่ดีกับได้ดีมีถมไปมันก็เลยทำให้ เสร่มศรัทธาในเรื่องของกฎแห่งกรรมเพราะว่าไม่ได้ศึกษาความจริงอย่างท่องแท้ว่าใครเป็นผู้กระทำบุญกระทำบาปและใครเป็นผู้รับผลบุญผลบาปเรามองไม่เห็นผู้กระทำปัญหาก็คือเพราะใจนี้เป็นเรื่องเป็นสิ่งที่ไม่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนร่างกาย<ม>ก็เลยไม่รู้ว่ามีผู้ที่ ที่ทำบุญทำบาปอยู่ข้างหลังร่างกายอยีกทีนึ่งเป็นผู้สั่งให้ร่างกายทำแทนร่างกายเป็นตัวแทนของใจทาหน้าที่ทำอะไรตามที่ใจต้องการใจสั่งให้ใจอยากจะทำบุญใจก็สั่งให้ร่างกายไปทำบุญใจอยากจะทำบาปก็สั่งให้ร่างกายไปทำบาปก็เลยไปมองที่ร่างกาย ว่าจ ะ, จะต้องเป็นผู้รับผลบุญผลบาปแต่ถ้าเวลาที่ร่างกายตายไปแล้วแล้วใครจะไปรับผลบุญผลบาปใครจะไปสวรรค์ใครจะไปนรกใครจะไปอบายใครจะไปเป็นเทวดาใครจะไปเป็นพรหมใครจะไปเป็นพระอริยบุคคลอันนี้มองไม่เห็นเพราะผู้ที่ <c oughs> ผู้ที่จะไปรับผลบุญนี้เป็นสิ่งที่ไม่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนร่างกาย <ม>เป็นดวงวิญญาณ<ม>ที่มีความรู้สึกนึกคิด<ม>ที่ไม่มีวันมันไม่มีวันหายความรู้สึกนึกคิดในดวงวิญญาณนี้จะมีร่างกายหรือไม่มีร่างกายก็ตา ม, มดวงวิญญาณนี่แหละที่จะขึ้นสูงหรือลงต่งด้วยกำลังของบุญหรือบาปที่ได้ทำเอาไว้จะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ไม่ได้มาเปลี่ยนแปลงความจริงอันนี้ จะไม่เชื่อว่ามีกฎแห่งกรรมทำไปแล้วกฎแห่งกรรมมันก็จะส่งผลให้กับผู้กระทานั้นจะเชื่อก็ส่งเหมือนกันจะไม่เชื่อก็ส่งผลเหมือนกันแต่การเชื่อมันก็ดีจะได้รู้ว่ามันมีทางเลือกกฎแห่งกรรมนี้ไม่ใช่เป็นทางเดียวมีทางเลือกทางสู่ความสุขความเจริญก็มีทางสู่ความทุกข์ สู่ความเสริมก็มี mm hmm. เป็นของจริงไม่ใช่เป็นนิยาย mm hmm. โลกโลกโลกของดวงวิญญาณที่เราเรียกว่าโลกทิพย์นี้มันมีจริงเพียง mm hmm. แต่ว่าเราไม่รู้กันเวลาเราไปอยู่โลกทิพย์เราก็ไม่รู้ว่าเราอยู่ในโลกทิพย์กัน mm hmm. เห็นตอนยังคืนเวลาเรานอ น, อนหลับนี่ mm hmm. เรากับเรากับร่างกายก็แยกตัวกันออกจากชั่วคราวร่างกายนอนหลับพักผ่อน mm hmm. ร่างกายอยู่ในโลกนี้โลกกะธา โลกของดินน้ำลมไฟแต่ใจของเรานี่มันไปอยู่ในโลกทิพย์แล้วมันไปท่องเที่ยวในโลกทิพย์โดยที่เราไม่รู้สึกตัวอืโลกทิพย์ก็คือโลกของความฝันนั่นเองเวลาที่เรานอนหลับฝันไปนี้ไม่ใช่ร่างกายเป็นผู้ฝันผู้ฝันก็คือใจแล้วก็ฝันถึงเรื่องที่ดีก็มีฝันถึงเรื่องที่ไม่ดีก็มีอันนี้ก็เป็นเพราะบุญหรือบาปนี่แหละที่จะทําให้ มีความฝันที่ดีหรือมีความฝันที่ไม่ดีถ้าเรามีบุญกาบุญมีกำลังมากกว่าบาปเวลาเรานอนหลับเรามักจะฝันดีกันฝันแต่เรื่องดีๆฝันว่าเราได้ไปเที่ยวที่นั่นได้ไปเที่ยวที่นี่ได้ได้สิ่งนั้นได้สิ่งนี้ได้ความสุขพูดง่ายๆฝันที่ทำให้เกิดความสุขใจตอนนั้นเราก็ถือว่าเราอยู่ในสวรรค์กันอยู่ในส่วนที่เป็นสุข ในโลกทิพย์นี้โลกที่ดวงวิญญาณอยู่การ น, นี้ก็มีแบ่งไว้สองซีกซีกของสุขกติกับซีกของทุกขกติซีกของสุขกติก็ซีกของเทวดาอินพรหมทาริยะบุกคล น, นี่อยู่ในซีกของสุขกติซีกของทุกขกติกต็พวกของเปรตอสุรกายและนรกนี่ตรงนี้อยู่ในอยู่ในซีกของทุกขกติก็คือมี มีแต่เรื่องราวที่สร้างความทุกข์สร้างความาความทรมานใจฝัน <Yeah. S 1> แต่เรื่องรายๆฝันแต่เรื่องที่เลวฝันที่เรื่องที่มีแต่โหดร้ายทารุณกันมีแต่เรื่องแข่งแย่งกินดีฆ่าฟันกันแย่งอะไรกันต่างๆ <Yeah. S 1> อันนี้เป็นเรื่องของทุกขกติเป็นเรื่องของบาส <Yeah>. mm. นี่มิบากรรมมันแสดงผลตั้งแต่ที่เรายังไม่ได้ตายจริง yeah. เวลาที่เราตายปลอมเวลาที่ร่างกายนี้มันไม่นอนหลับนี้เรียกว่าเรากําลังตายปลอมเราตายชั่วข่าวตอนนั้นร่างกายเราไม่ได้ทํางานอะไรนอนเฉยๆ เ, เหมือนคนตาย mm. ไม่เคลื่อนไหวไม่ทําอะไร mm. ตอนนั้นแหละมันก็เป็นเหมือนตอนที่ร่างกายตายจริงตายจริงแล้วมันไม่ฟื้น mm. มันไม่ตื่นหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีนั่นคือตายจริงแต่ถ้าหลับแล้วตื่น ยังฟื้นขึ้นมาได้นี่สแสดงว่ายังไม่ตายจริงใช่เวลาที่เรานอนหลับด้วยคนบางคนที่เวลาที่เขาสลบสลายไปแล้วคนบางคนแล้วคนก็คิดว่าเขาตายไปนีแต่ความจริงเขายังไม่ได้ตายเขาสลบสลายไปบางทีสลบสลายไปสองสามวันถึงค่อยฟื้นขึ้ น, นมาเราฟื้นขึ้นมาเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาได้ไปนรกบ้างเขาได้ไปสวรรค์บ้างเขาได้ไปเห็นหนูน่นเห็นนี่มง อันนี้ก็เป็นเรื่องของโลกทิพย์ที่เขาได้ไปท่องกันตอนที่ร่างกายไม่ได้ทำงานเนาะตอนที่ร่างกายเป็นเหมือนคนตาย<ม>เวลาตายจริงมันก็ไปเลยไปไปแบบไม่กลับ<ม>แต่ดวงวิญญาณไม่ได้ตายไปกับร่างกายดวงวิญญาณก็ไปสู่โลกทิพย์จะอยู่ส่วนไหนอยู่เสี้ยส่วนสุคติหรือทุกคติ้าอยู่สุคติก็จะมีแต่เรื่องที่ ที่สนุกสนานที่มีแต่เรื่องที่มีแต่ความสุขความสันความสบายต่างๆ mm hmm. เหมือนกันได้ไปท่องเที่ยวตามต่างประเทศอย่างเงี hmm. ้ยส่วนเวลาที่ฝันร้ายนี่ก็เหมือนเวลาไปทําสงครามเวลาเกิดไปอยู่ในภาวะของสงครามต้องอดพยพหลบหนีภัยต่างๆ mm hmm. หรือมีการ ต่อสู้ค่าฟันกันแข่งแย่งชิงดีกันอะไรต่างๆแนี้อันนี้ก็เป็นสีของทุกขติ<ม>เวลาที่ร่างกายตายไปนี้ใจก็เข้าสู่โลกของความฝันถ้าถ้าได้ทำบุญไว้มากกว่าทำบาปก็จะมีแต่เรื่องที่ฝันดีเพราะจะอยู่ในอยู่ในซีของสุขติ<ม>ถ้าทำบาปมากกว่าทาบุญ<ม>ใจก็จะอยู่ในซีของทุกขติ แล้วเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะมาปรับตอนที่เราจะตายได้บางคนคิดว่าเรามาปรับใจเราตอนตอนตอนจิตสุดท้ายตอนวาระสุดท้ายของชีวิตปรับใจเราให้เป็นบุญขึ้นมาอันนี้มันไม่ได้เป็นสิ่งที่จะปรับกันได้ง่ายๆถ้าทั้งชีวิตมีแต่ทำบาปอยู่เรื่อยๆทาบุญไม่เคยทาเลยแล้วพอเวลาจะตายนี่จะมาปรับใจให้ ไปทำบุญนี้มันเป็นไปไม่ได้มันต้องไปตามกำลังของบุญหรือบาปที่ได้สะสมไว้ในขณะที่มีชีวิตอยู่ถ้าเราตลอดชีวิตนี้เราทำบุญอย่างต่อเนื่องอย่างสม่าเสมอละไม่กระทำบาปหรือทำบ้างในบางโอกาสเวลาที่เกิดอารมณ์ขึ้นมาที่ไม่สามารถยับยั้งได้เช่นเวลาลูกแก่โทสะหรือ ล, ล, ลูกแก่โมหะ ลูกแก่โลภความโลภความอยากก็อาจจะไปทําบาปบ้างแต่ถ้าบุญที่เราทํานี้มันมีมากกว่า บ, บาปนะบุญนี้แหละจะเป็นผู้ที่ดึงใจให้ไปอยู่ในเสีส้ของสุขติแล้วก็ไม่ต้องรอให้คนมาให้พรคนตายตเวลาคนตายแล้วมักจะขอให้ไปสู่สุขตินะขอไม่ได้หรอกเขาจะต้องไปด้วยอํานาจ บ, บุญของเขาเอง บุญของเขาต้องมีมากกว่าบาปที่เขาทำเขาก็จะไปสู่สุขติใครจะไปให้พรเขาหรือไม่ให้พรเขาก็ไม่เด้เปลี่ยนแปลงความจริงอันนี้ขอให้ไปสุกติแต่ถ้าทาบาปมากกว่าทำบุญมันก็ไปสุกติไม่ได้มันก็ต้องไปสู่ทุกขติเป็นธรรมดา น, นี่แหละคือวิบากผลของบุญของบาปที่จะเกิดขึ้นที่จะทำทำงานของมัน ในช่วงที่เวลาที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วในช่วงที่ร่างกายยังอยู่มันก็จะทําได้ในช่วงที่ร่างกายนอนหลับทําแบบชั่วคราวเดี๋ยวคืนนี้ญาติโยมไม่นอนหลับเนี่ยบางทีญาติโยมก็อาจจะไปฝันดีก็ได้หรือบางทีก็อาจจะไปฝันร้ายก็ได้ถ้าฝันร้ายก็แสดงว่าบุญบาปมันไม่บาปของเราตอนนี้มีมากกว่าบุญบาปมันจึงมีกําลัง มาผลิตเรื่องของความฝันร้ายให้กับเราแต่ถ้าเราฝันดีก็แสดงว่าบุญของเรามีมากกว่าบาสนี่แหละเป็นสิ่งที่เราสามารถวัดผลได้วันไหนที่เราฝันดีก็เอก็หอให้เรารู้ว่าตอนนี้บัญชีบุญของเรามีมากกว่าบัญชีบาสถ้าวันไหนเราฝันร้ายก็มันก็แจ้งเตือนแล้วว่าตอนนี้บัญชีบาสมีมากกว่าบัญชีบุญนั้นนะ เหมือนธนาคารนี่บางทีเราไปเบิเกเงินเกินเกินขีดที่เขาอนุญาตให้เราเบิกเขาก็จะแจ้งเตือนมาว่าตอนนี้โอโอดีแล้วนะต้องปรับบัญชีกันหน่อยไม่งั้นก็ไม่สามารถที่จะดาเนินกิจการต่อไปได้อันนี้ก็เหมือนกันความฝันนี่แหละเป็นตัวที่จะบ่งบอกให้เรารู้สถานภาพของดวงวิญญาณของเราว่ากำลังจะไปสู่ทิศทางไหน ไปสู่สวรรค์ไปสู่สุขคติหรือไปสู่อบายไปสู่ทุกขติอันนี้เป็นเรื่องที่เราเรียกว่ากฎแห่งกรรมอันนี้มันเกิดขึ้นกับทุกคนที่มาเกิดแก่เจ็บตายในในโลกขณะนี้แม้แต่พระพุทธเจ้าพระอาหารหันต์ก็อยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมเหมือนกันดงนั้นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์จริงๆมันจึงไม่ใช่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพียงแต่ได้มา รู้ความจริงของกฎแห่งกรรมนันหรือว่ามีกฎแห่งกรรมที่มาควบคุมสภาพของจิตใจของพวกเราผู้ที่กระทำบุญหรือผู้ที่กระทำบาป mm hmm. ให้เราได้รับผลดีและผลเสียจากการกระทำของเราเอง mm hmm. อันนี้เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกได้เรียนรู้ได้ค้นพบ mm hmm. สำหรับพวกเรานี้เรายังไม่ได้รู้ความจริงอันนี้กัน ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าหรือไม่มีพระอาหารหันตสาวกมาสอนเรื่องกฎแห่งกรรมเนี่ยเราก็จะไม่รู้ว่ามีกฎแห่งกรรมเราก็จะทําบุญทําบาปไปตามภาษาของเราไปแล้วผลที่เราได้เป็นอย่างไรเราก็ไม่รู้กันเราก็ทําไปตามความเชื่อคนที่เชื่อบุญเขาก็ทําบุญกันคนที่ไม่เชื่อบุญเขาก็ไม่ทําบุญกันแล้วผลเป็นยังไงผลก็คือทําให้คน ทำให้ดวงวิญญาณไปเกิดเป็นอะไรต่างๆกันดวงวิญญาณบางดวงก็ไปสู่สุขติไปเป็นเทเเป็นพรหมเป็นพระอริยบุคคลดวงวิญญาณบางดวงก็ไปเป็นเปรตเป็นอาศัยลกายไปนรกเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้และบุญกับบาปที่ได้ทาไว้มันก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่จะอยู่กับดวงวิญญาณไปตลอด ออดวงวิญญาณไปรับผลบุญแล้วบุญที่ได้สะสมไว้มันก็จะหมดแล้นถ้าดวงวิญญาณไปรับผลของบาปเดี๋ยวบาปมันก็จะหมดมันจะหมดกำลังที่จะดึงดวงวิญญาณให้อยู่ในบายหรือบุญก็จะไม่มีไม่มีกำลังที่จะดึงให้ดวงวิญญาณอยู่ในสวรรค์ตอนนั้นดวงวิญญาณก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่พวกเราก็จะกลับมาเกิดใหม่ เมื่อเราตายไปจากชาตินี้แล้วดวงวิญญาณของเราก็จะไปรับผลบุญหรือผลบาปขึ้นอยู่กับว่าเราทำอะไรมากกว่ากันถ้าเราทาบุญมากกว่าเราก็จะไปรับผลบุญถ้าทําบาปมากกว่าเราก็จะไปรับผลบาปพอกำลังของบุญหรือบาปที่เราได้ไปรับนั้นมันหมดกำลังลงเราก็จะกลับมารอรับร่างกายอันใหม่มาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ แล้วพอเรามาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เราก็จะมาทําบุญทําบาปกันใหม่ตามนิสัยเดิมของเราถ้าเราเคยชอบทําบุญเราก็จะกลับมาทําบุญต่อถ้าเราชอบรักษาศีลเราก็จะกลับมารักษาศีลต่อถ้าเราชอบทําบาปเราก็จะกลับมาทําบาปต่อถ้าเราไม่ชอบทําบุญไม่เราก็จะไม่ทําบุญถ้าเราชอบศึกถ้าเราชอบนั่งสมาธิทําใจให้สงบเราก็จะกลับมาทําใจให้สงบต่อ ถ้าเราชอบใช้ปัญญาในการวิเคราะห์ปัญหาต่างๆว่าความทุกข์ของเราเกิดจากอะไรแล้วรู้ว่าเกิดจากความอยากเราก็ลดความอยากลงอันนี้เราก็จะกลับมาทำต่อไปมันจะบุกฝังเป็นนิสัยนิสัยที่เราได้สะสมในแต่ละภพแต่ละชาติถ้ารักษาศีลอยู่เรื่อยๆมันก็จะกลับมารักษาศีลต่อถ้าทำบุญอยู่เรื่อยๆมันก็จะกลับมาทาบุญต่อถ้า ถ้ามันนั่งสมาธิอยู่เรื่อยๆมันก็จะกลับมานั่งสมาธิต่อถ้ามันศึกษาวิเคราะห์หาเหตุของความทุกข์ว่าเกิดจากอะไรมันก็จะกลับมาศึกษาหาเหตุเรื่องของความทุกข์ต่อไปมันมันไม่สูญหายไปของพวกนี้มันฝังอยู่ในใจใจที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายแล้วมันก็จะเป็นตัวที่จะส่งให้เรามาทำดีทำเชื่อกันต่อไป แล้ววันหนึ่งถ้าเราสามารถทำความดีถึงระดับสูงสุดได้คือระดับปัญญาเราได้เข้าถึงสาเหตุของการของกฎแห่งกรรมเข้าใจเรื่องของกฎแห่งกรรมว่าความสุขของเราพบชาติที่ดีของเราเกิดจากการทำบุญแล้วก็ความทุกข์ของเราและพบชาติที่ที่เกิดจากการทำบาปของ การทำบาปเกิดจากการทำบาปของเราทบทพบชาติที่ไม่ดีเราก็จะได้มาแก้ไขดัดแปลงแล้วถ้าเราได้ศึกษาลึกไปกว่า น, นั้นเราก็จะค้นพบว่าการที่เรายังการที่เรามาเวียนว่ายตายเกิดกัน mm hmm. ก็เพราะเกิดความจะกเกิดจากความอยากในใจของเรานี่เองใจของเราถ้ายังมีความอยากหาความสุขจากโลกกะระทำ เราก็ยังจะกลับมาเกิดในการมมาพบการมาเสพรูปเสียงกลิ่นรสกลับมาหาความสุขจากโลกธรรม ท, ทั้งสี่คือลาบยศจะสรนสนุสถ้าเรายังถ้าเรายังถ้าเราชอบหาความสุขจากการเข้าฌานเราก็จะกลับมาทํานั่งสมาธิเพื่อเข้าฌานอยู่เรื่อยๆ เ, เราก็จะมาติดอยู่ในภพของรูปภพหรืออรูปภพภพของพรหม ถ้าเราไม่อยากจะกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในในตายภพนี้ต่อไปเราก็ต้องหยุดความอยากเหล่านี้เสีย <c oughs> เวลาอยากจะหาความสุขจากเล่า ก, กระทำทั้งสี่ก็ไม่เอาอยู่เฉยๆ เ, เวลาจะหาความสุขจากรูปประชานเลื่อลูปปัจจานก็ไม่เอาอยู่เฉยๆเยฝ้นความอยากไม่ทำตามความอยากถ้าฝืนความอยากได้ไม่ทำตามความอยากได้ต่อไปความอยาก ที่เป็นตัวฉุดให้เรากลับมาเวียนว่ายตายเกิดในตายพบนี้มันก็จะหมดกำลังไปพอมันหมดกำลังมันก็จะทำให้เราไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปใจของเราก็จะอยู่ในนิพพานคนที่จะสามารถเข้าถึงความจริงอันนี้ได้ด้วยตนเองนี้นานๆจะมีสักครั้งหนึ่งคนที่เห็นว่าการเวียนว่ายตายเกิดในตายพบนี้เกิดจากตัณหาทั้งสาม เกิดจากการมั่หาภาวะมั <meet you. S 1> ่หาวิภาวะตั่หาเกิดจากการอยากจะเสพกามเสพรูปเสียงกลิ่นรสก็ไปเกิดในไตกามมพบเกิดจากการอยากจะเสพรูปประชานก็ไปเกิดในรูปรูปภพเกิดจากการอยากจะเสพอรูปอรูปประชานก็จะไปเกิดในอรูปภพถ้าไม่อยากจะกลับมาเกิดในไตภพก็ต้องยุติความอยากทั้งสามนี้ด้วยการใช้ปัญญาสอนใจว่า การทำตามความอยากจะนำไปสู่ความทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดถ้าไม่อยากจะกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในตายพก<ช>ก็ต้องตัดความอยากทั้งสามนี้ให้หมดสิ้นไปให้ได้<ช>คนที่จะเห็นความจริงอันนี้ได้ด้วยตัวเองนี้ก็คือพระพุทธเจ้าเองหรือเราที่เราเรียวกว่าพระโพธิสัตว์ก่อนที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้าต้องเป็นพระโพธิสัตว์บำเพ็ญเพียร โดยเฉพาะปัญญาบา ร, รมีมันอย่างแก่ก้าจนสามารถมองทะลุเห็นสัจธรรมความจริงของการเวียนว่ายตายเกิดของดวงวิญญาณของสัตว์โลกทั้งหลายเมื่เกิดจากตัณหาความอยากอยากในอยากในการก็มาก็จะพาให้ไปเกิดในกรรมมาพบอยากอยากในรูปประชานก็จะพาให้ไปเกิดในอรูปในรูปประพบอยากในอรูปประชานก็จะไปเกิดในอรูปประพบ ถ้าตัดความอยากทั้งสามนี้ได้ไม่ทำตามความอยากได้โดยใช้กำลังของสติและปัญญาสอนใจว่าการทำตามความอยากนี้เป็นการทำร้ายตนเองไม่ได้ทไม่ได้เป็นการให้ความสุขกับตนเองเพราะเป็นการฉุดให้ตนเองต้องไปติดอยู่ติดอยู่ในตายภพนั่นเองพอเห็นอย่างนี้เข้าใจอย่างนี้ด้วยปัญญาแล้วก็สามารถฝืนความอยากได้เหมือนกับเราถ้าเราเคยดื่มเครื่องดื่มชนิดหนึ่ง แล้ววันหนึ่งเราก็มาค้นพบความจริงว่าเครื่องดื่มชนิดนี้มีสารก่อมะเร็งถ้าดื่มไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งจะต้องเป็นมะเร็งเพอเรารู้แค่เนี้ยเราก็เลิกดื่มทันทีพอเรารู้ว่ามันเป็นพิษเป็นภัยเป็นอันตรายต่อชีวิตของเราอย่าใดถ้าเรารู้ว่าความอยากมันเป็นพิษเป็นภัยต่อจิตใจของเราเพราะมันจะเป็นตัวที่จดึงให้เราต้องมาเวียนว่ายตายเกิดในตายพบอยู่เรื่อยๆเราก็หยุดความอยากได้ พอเราหยุดความอยากได้เราก็ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปใจที่หยุดการเวียนว่ายตายเกิดได้เราก็เรียกว่านิพานท่านเองนิพานไม่ใช่เป็นสถานที่เหมือนกรุงเทพหรือเชียงใหม่แต่เป็นสภาพของจิตใจที่มีปัญญาที่รู้ทันความความจริงของความอยากว่าเป็นผู้ที่หลอกให้ใจนี้มาเวียนว่ายตายเกิดในตายพบอยู่เรื่อยๆ ถ้าไม่อยากจะเวียนว่ายตายเกิดในตายพบก็ต้องตัดความอยากเหล่านี้ให้หมดไปจากใจหยุดความอยากเหล่านี้ก็เท่านั้นเองพอ<ม>รู้ว่าถ้าเรายังทําตามความอยากอยู่เราก็จ้อกลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆถ้าเราไม่อยากจะกลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆเราก็หยุดความอยากเท่านั้นเองทีนี้ถ้าใจของเราเนี่ยังไม่มีกําลังที่จะหยุดความอยากเราก็เสริมกําลังให้เกิดขึ้นได้พระพุทธเจ้าก็ส่งคนคนพบวิธีที่จะเสริมกําลัง ที่จะทำให้ใจของเราต่อสู้กับความอยากได้<ม>ด้วยการปฏิบัติที่เราเรียกว่มามรกมรกนี้เป็นเครื่องมือที่จะทำให้เรามีกำลังที่จะละตันหาความอยากทั้งสามได้<ม>ถ้าเราตอนนี้ยังละไม่ได้เราก็ต้องมาสร้างกำลังให้กับใจ<ม>ตั้งมาเจริญมรกกันมรกก็คืออะไรก็คือทานศีลภาวนาเนี่<ม>นี่แหละเป็นเครื่องมือที่จะทำให้เรามีกำลังสู้กับความอยากได้ อันต้นเราก็สู้กบความอยากที่ที่ไม่ยากก่อนก็คือความอยากใช้เงินทองเวลาเรามีเงินทองเราก็อยากจะไปซื้อข้าวซื้อของที่ไม่จำเป็นซื้อของสวยๆงามๆซื้อของหรูหราซื้อสิ่งนั้นสิ่งนี้มาให้ความสุขกับเราแต่ถ้าเรารู้ว่าการทำตามความอยากนี้มันจะพาให้เราต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆเราก็ต้องเลิกซื้อของต่างๆ ถ้าเราอยากจะมีเงินจากการใช้เงินก็เอาเงินนี้ไปทําบุญทำทานแทนแทนที่จะไปซื้อเสื้อผ้าหรือรองเท้าหรือกระเป๋าหรืออะไรที่ไม่จําเป็นเพราะเรามีเหลือเฟืออยู่แล้วเราใช้มีเครื่องมีมีใช้พออยู่แล้วเพียงแต่อยากได้เห็นแล้วมีความได้มาแล้วจะมีความสุขอันนี้ต้องรู้ว่ามันเป็นความสุขที่จะดึงให้เรากลับมาเกิดแก่เจ็บตายในกามาพบ เราต้องฝืนถ้าเรามีเงินจะใช้ใช้เงินแบบนี้ไม่ได้ให้เอาเงินที่เราจะใช้แบบนี้ไปทำบุญทาทานแทนอันนี้มันก็จะทำให้เราลดความอยากได้สร้างกาลังของใจให้เราสู้กับความอยากด้วยการใช้เงินในทิศทางที่ถูกเอาไปทำบุญทาทานแล้วก็ทำให้ใจเรามีคม่มีพลังมากขึ้นมีพลังที่จะสู้กับความอยากที่จะดึงให้เรากลับมาเกิดในการมมาพบได้ อันนี้สําหรับคนที่ยังใช้สตางอยู่มีสตางที่จะใช้ไปเพื่อส่งเสริมความอยากเราต้องหยุดหยุดการใช้เงินในทางนี้แล้วเงินที่มีอยู่นี้ไปทําบุญทําทานหรือเก็บไว้เฉยๆก็ได้ถ้าเรายังไม่อยากจะทําบุญทําทานยังเสียดายเงินอยู่ก็เก็บไว้แต่เก็บไว้เรื่อยๆต่อไปมันก็รู้จะเก็บไว้ทําไมเมื่อมันไม่ได้ใช้แล้วก็ไปทําบุญทําทานอีครับไปช่วยคนอื่นสร้างความเมตตาให้กับ ให้กับจิตใจของตนสร้างความสุขให้กับให้กับเราดีกว่าเวลามีเงินแล้วมันไม่มีความสุขเวลาเอาเงินไปใช้แล้วมันมีความสุขก็ใช้แบบที่เป็นความสุขที่ไม่มีเป็นพิษเป็นภัยเพราะการทเอาเงินไปทำบุญทาทานนี้จะไม่ไปเสริมความอยากให้เรากลับมาเกิดแก่เจ็บตายไม่ไม่ไม่ได้เสริมให้เรากลับมาเกิดในการมาพบแต่อย่างใดแต่เป็นการลดการเกิดกาลังของการที่จะมาเกิดในการมาพบให้น้อยลงไป อันนี้คือขั้นแรกของการการสร้างกำลังใจให้สู้กับความอยากของเราเวลาเราอยากจะได้ความสุขจากลูกเสียงกิเลสผลถพะโดยการใช้เงินเราก็เอาเงินนี้ไปใช้การทําบุญทําทานแทนแล้วต่อไปความอยากที่อยากจะซื้อความสุขต่างๆก็จะลดน้อยลงไปต่อไปก็จะเลิกซื้อเลยคนที่ได้มีความสุขจากการทําบุญแล้วเอารู้สึกว่ามีความสุขที่ดีกว่า เพาะเป็นความสุขที่ติดอยู่กับใจได้นานกว่ากความสุขที่ได้จากการไปซื้อของต่างๆมาซึ่งเป็นความสุขเดี๋ยวเดียวชั่วคราวทั้งเองแล้วก็มีมีมีปัญหาตามมาต่อไปเพราะมันจะทําให้ติดเวลาที่อยากจะซื้อแล้วถ้าไม่มีเงินซื้อมันก็จะทําให้ทุกข์ได้แต่เวลาทําบุญนี้เวลาไม่มีเงินทําบุญมันไม่ได้ทําให้ใจทุกข์แต่อย่างใดเพราะมันไม่ได้ทําด้วยความอยาก มันทำด้วยความเมตตาทำด้วยความการุณาทำด้วยความเชื่อศรัทธาว่าเป็นวิธีการที่จะลดตัดภพชาติลงไปให้น้อยลงอันนี้เราก็ต้องมาหัดทำบุญทาทานกันเปลี่ยนวิธีใช้เงินถ้าใช้เงินไปเที่ยวใช้เงินไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสก็เปลี่ยนมาเอามาใช้เงินด้วยการทำบุญทาทานจะทาที่ไหนก็ได้ไม่จาเป็นจะต้องทากับวัดอย่างเดียวว้ก็ทาได้ถ้าเรา อยากจะสนับสนุนวัดวาารามให้อยู่เป็นที่พึ่งอาศัยของของชาวพุทธล้วก็ทําบุญกับวัดไปเพราะว่าเป็นที่อยู่ของพระสง์องค์เจ้าเป็นที่อยู่ของธรรมะคาสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าเวลาเราอยากจะเรียนรู้คําสั่งคําสอนเราก็ต้องไปที่วัดกันเราก็ต้องทําบุญกับวัดกันถ้าเราอยากจะมีธรรมะมีคนที่สั่งสอนธรรมะมาคอยสอนเราอยู่เรื่อยเื่อยเราก็ต้องไปทําบุญกับที่วัด แต่ถ้าเราเห็นว่าถ้าที่วัดมีพอเพียงแล้วมีเหลือเฟือแล้วเราก็อยากจะไปช่วยคนอื่นบ้างก็ก็มา ไ, ได้ช่วยที่โรงพยาบาลก็ได้โรงพยาบาลก็มีการขาดแคลน เ, เครื่องใช้ไม้สอยต่างๆเราก็ไปซื้อเครื่องใช้ไม้สอยให้กับโรงพยาบาโลโรงเรียนก็เหมือนกันโรงเรียนบางโรงเรียนก็ยากจนขาดอุปกรณ์อะไรต่างๆก็ไปทำบุญกับโรงเรียนก็ได้ ทำบุญจากที่ไหนที่เขาตกทุกข์ได้ยากเดี๋ยวเราได้บุญทั้งเหมือนกันได้ความสุขใจได้ความอิ่มใจมันได้ได้การลดความอยากที่จะไปซื้อใช้เงินทองไปในทางที่ผิดได้ลดการลดการใช้เงินทองไปใช้ในตามความอยากต่างๆได้อันนี้ก็เป็นเครื่องมือชชิ้นแรกที่พระเจ้าท่งมอบให้กับพวกเราให้เรามาลดความอยากต่างๆให้น้อยลงความอย่าง อยากในกามนี่<ม>การใช้เงินไปเที่ยวนี่ก็คือความอยากในกามอยากในรูปเสียงสีรสต่างๆเราอย่าไปส่งเสริมความอยากแบบนี้เพราะมันจะทําให้เราต้องกลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆถ้าเราต้องการตัดการเกิดตัดภพตัดชาติเราก็ต้หยุดความอยากด้วยการใช้เงินแบบนี้้ขั้นที่สองก็สอนให้เรามาทํา มารักษาศีลการเพื่อตัดความอยากที่จะไปทําร้ายผู้เวลาที่เราเกิดความโลภหรือเกิดความโกรธนี่บางทีเราต้องไปทําร้ายผู้เพื่อจะได้สิ่งที่เราอยากได้อยากจะได้เงินได้ทองของเขาก็ต้องไปโกหกหลอกลวงเขาหรือไม่งั้นก็ต้องไ ป, ไ ป, ไ, ปไปขโมยเท่าของของเขาอันนี้ก็เกิดจากความอยากอยากได้ทรัพย์สมบัติเท่าของเงินทองของผู้แต่ถ้าเรารักษาศีลไว้เราก็จะทําไม่ได้ เราก็จะสะกัดความอยากอีอกขั้นหนึ่งเราต้องคอยฝืนความอยากต่างๆอย่าปล่อยให้มันเป็นอิสระเพราะถ้ามันเป็นอิสระแล้วมันจะเพิ่มกำลังมากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วมันจะทำให้เราต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดทำทานได้รักษาศีลได้แล้วตอานี้ก็รักษาศีลห้าก่อนแล้วก็ต้องเพิ่มเป็นศีลแปเพราะศีลแปก็จะตัดความอยากที่ละเอียดกว่าศีลห้าได้ ความอยากที่จะไปเที่ยวไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็จะถูกตัดลงด้วยดสินแปดความอยากที่จะนอนร่วมหลับนอนกับแฟนนี่ถ้าถือสินแปกก็ทำไม่ได้อันนี้ก็จะตัดกำลังของความอยากความอยากจะกินอาหารตลอดเวลาก็กินไม่ได้เพราะว่าเราต้องก ำ, กำหนดเวลาให้การกินอาหารให้กินให้กินเพื่ออยู่ไม่ให้กินเพื่อกิเลสไม่ให้กินเพื่อความอยาก ไม่ให้กินตามความอยากกินตามเวลาที่ร่างกายต้องการร่างกายวันหนึ่งก็ต้องการอาหารเพียงครั้งหรือสองครั้งก็พอเพียงเรามาถือศีลแปดกันเราก็จะกินอาหารตามเวลาแจะไม่กินตามความอยากแล้วเราก็ยังงดการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้วกายไม่ไปดูหนังฟังเพลงไม่ไปร้องราทําเพลงไม่ไปเสริมสวยความงามทางร่างกาย ด้วยเครื่องสมางด้วยเสื้อผ้าอาภรที่สวยงามต่างๆแล้วเราก็จะไม่นอนมากเกินไปเพราะการนอนมากก็เป็นการเสพการมัสุขนับเป็นการเสพกามเสพความสุขทางร่างกายเราต้องการนอนเพื่อพักผ่อนร่างกายก็ร่างกายก็นอนคืนละสีห้าชั่วโมงก็พอถ้าต้องการพักผ่อนแต่ถ้าเรานอนบนเตียงที่สบายบนฟูกหนาๆเวลาร่างกายได้พักผ่อนพอตื่นขึ้นมาแล้วมันใจจะไม่อยากจะลุก ใจก็จะข อ, อนอนต่ออีกสองสามชั่วโมงก็จะทำให้เสียเวลาในการที่เราจะเอาเวลานี้มาม า, มาทำใจให้สงบมาเปลี่ยนวิธีหาความสุขเปลี่ยนวิธีหาความสุขจากการเสบรูปเสียงกลิ่นรสมาหาความสุขจากการทำใจให้สงบเราต้องมีเวลาที่จะมาเจาริญสติมาเดินจงกรมมานั่งสมาธิกันเราเราก็เลยต้องถึงศีลแปดศีลแปดนี้จะ จะให้เราหยุดหาความสุขแบบชนิดหยากแล้วให้มาหาความสุขแบบชนิดละเอียดความสุขที่ได้จากการทำใจให้สงบเพราะการทำใจให้สงบนี้จะทำให้เราตัดกามาตัณหาได้หมดเลยก<ม><ม>า ม, มาตัณหาที่เราตัดด้วยทานตัดด้วยศีลยังตัดไม่ได้หมดแต่ถ้าเราทำใจให้สงบนิ่งได้ใจเราไม่มีความหิวที่จะไปเสพกามอีกต่อไป<ม>อันนี้เรา ต้องมีเวลาต้องมีเวลาปฏิบัติแล้วต้องมีการรักษาศีลเวลาที่เราไปปฏิบัติต้องรักษาศีลแปดขึ้นไปก็จะช่วยทำให้เรามีกำลังต่อสู้กับความอยากทำให้เราเลิกเลิกความอยากในในกามได้หมดเลยถ้าเราตายไปเราก็ไม่ต้องกลับมาเกิดในกามภพเราก็จะไปเกิดอยู่ในในภพของรูปฌานหรืออาลูปฌานแทน <P os ite> พอเราออกจากการมาพบได้แเราเราก็จะไปติดอยู่ที่รูปะพบหรือรูปะพบพอถึงตอนนั้นละเราก็ต้องสอนใจว่าตอนนี้เราก็ต้องอย่าไปเศษ ร, รูปประชานหรือรูปประชานเช่นเดียวกันเพราะการไปเศษไปติดกับรูปประชานก็จะทําให้เราติดกับการมาเกิดในรูประพบหรืออรูประพบต่อไปพอเราเห็นว่าเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นโทษเมื่อก่อนนี้เราอาศัยสมาธิอาศาาัยรูปประชานหรือรูปประชานเป็นเครื่องมือในการหยุดกามา การมาตัญหาความอยากที่จะเสกการพอ ล, ละละการมาตัญหาได้แล้วเราก็ต้องเลิกใช้เครื่องมืออันนี้อย่าไปติดกับเครื่องมืออันนี้เพราะการติดกับเครื่องมืออันนี้มันก็จะทำให้เราต้องกลับมาเกิดในรูปประพบหรืออรูปภ พ, พบต่อไปเราก็ต้องหยุดหยุดใช้เครื่องมือนี้หยุดหาความสุขจากรูปประชานรูปประชานพอเราหยุดปับ๊บทีนี้ความอยากต่างๆที่มีในใจ ที่เป็นตัวดึงให้เรากลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆก็จะหมดก็จะหมดไปหมดกําลังไปหายไปใจเราก็จะไม่มีวันกลับมาเกิดอีกต่อไปใจที่ได้ชําระความโลภความอยากทั้งสามคือการการม้ทันหาภาวะทันหาวิภาวะทันหาให้หมดสิ้นไปจากใจแล้วใจก็จะไม่มีอะไรดึงให้กลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปใจก็จะหลุดพ้นจากกฎแห่งกรรม ถ้าถ้าเราถ้าราตรายใดเรายังมาเกิดอยู่เราก็ยังต้องมารับรับผลบุญผลบาปที่เราได้ทําไว้ต่อไปอแต่ถ้าเราไม่กลับมาเวียนวายตายเกิดแล้วโกห่งกรรมก็ไม่สามารถที่จะเข้ามาให้คุณให้โทษกับจิตใจของเราได้ออต่อไปอเราก็จะพ้นจากทุกสิ่งทุกอย่างกรรมทั้งหลายที่ได้ทําไว้มากน้อยเพียงไรมันก็จะไม่มีวันที่จะมาส่งผลให้กับจิตใจที่ไม่กลับมาเกิดได้ อ, อีกต่อไปอ จิตใจก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์อย่างสมบูรณ์ทุกย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่เกิดเท่านั้นพรานว่าถ้าตราบใดยังมีการมาเกิดอยู่ตราบนั้นก็ยังต้องมีทุกข์อยู่ทุกข์ที่เกิดจากวิบากกรรมที่ได้ทําไว้ทุกข์ที่ได้จากการมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายทุกข์ที่ได้จากการมาพัดพากจากสิ่งที่เราลักที่เราชอบทุกข์ที่มาที่ได้จากการที่มาประสบกับสิ่งที่เราไม่ลักเราไม่ชอบ ความทุก์ต่างๆเหล่านี้มันจะหมดสิ้นไปได้ต่อเมื่อเราไม่กลับมาเกิดเท่านั้นถ้าตาบได้เรายังกลับมาเกิดอยู่เราก็ยังต้องต้องอยู่ภายใต้กฎของกฎแห่งกรรมอยูอ่เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่อยากจะมีความทุกข์เราก็ต้องพยายามตัดความอยากทั้งสามนี้ให้หมดสิ้นไปจากใจให้ได้และการที่จะตัดความอยากนี้ได้เราต้องมีเครื่องมือเครื่องมือที่เราจะใช้ตัดความอยากทั้งสามนี้ก็คือทานศีลภาวนา ให้เราเอาเงินทำทานเอ า, เอาเงินที่เราจะไปใช้กับความอยากซื้อของต่างๆที่ไม่จำเป็นเอาไปทำบุญทําทานแทนแล้วก็ให้เรารักษาศีลห้ามความอยากเวล า, าอยากจะทำร้ายพวกทาร้ายใครก็อย่าไปทำแล้วก็ลดความอยากด้วยการทำสมาธิด้วยการถือศีลแปแล้วก็มาลดตัดความอยากชิ้นสุดท้ายด้วยปัญญาว่าเครื่องมือที่เราใช้ก็ต้องหยุดเราต้องหยุดใช้มัน เมื่อเมื่อภารกิจของเราสําเร็จรู่เรื่องแล้วเราก็ไม่มีความจาเป็นที่จะต้องใช้เครื่องมือนี้ต่อไปแตเรายังติดอยู่กับเครื่องมืออยู่เราก็ยังต้องติดกับการมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่อันนี้เป็นเรื่องของการปฏิบัติการเข้าใจถึงหลักของกฎแห่งกรรมว่ามีผลอย่างไรต่อกิตใจของพวกเรา พว่ที่เราจะได้เคารบกฎแห่งกรรมละการกระทําบาปทําแต่บุญทำแต่กุศลแล้วก็พยายามตัดความอยากต่างๆที่เป็นเหตุที่พาให้พวกเราต้องมาเวียนว่ายตายเกิดกันนี้ให้หมดสิ้นไปจากใจถ้าเราทําได้แล้วต่อไปเราก็จะมีแต่ความสุขตลอดเวลาเหมือนกับจิตใจของพระพุทธเจ้าของพระหลานตสาวกศพระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายที่ตายจากโลกนี้ไปนี้ท่านตายเพียงแต่ร่างกาย แต่จิตใจของท่านยังอยู่เหมือนเดิ ม, มแต่อยู่แบบไม่ต้องมีทุกข์อีกต่อไป<ม>จิตใจของพวกเราตอนนี้<ม>หลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วถ้าเรายังไม่ได้สาเร็จยังไม่ได้เสร็จภารกิจจิตใ จ, จของเราก็อยู่ต่อไปแต่อยู่แบบเวียนว่ายตายเกิด<ม>ยังไม่ได้อยู่แบบพระพุทธเจ้าอยู่แบบพระอรหันตสาวก<ม>ท่านอยู่แบบไม่เวียนว่ายตายเกิดแต่จิตใจของเราอยู่แบบเวียนว่ายตายเกิด ยังต้องไปรับผลบุญผลบาปต่อไปจากการกระทําของเราอยู่จนกว่าเราจะสามารถปฏิบัติทานศีลภาวนาได้สมบูรณ์และสามารถหยุดความอยากทั้งสที่มีอยู่ในใจนี้ให้หมดสิ้นไปจากใจได้แล้วเราก็จะได้ไม่ต้องกลับมาทุกข์อีกต่อไปไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดต่อให้จะต่อให้มาเกิดดีขนาดไหนก็ตามก็ต้องทุกข์เหมือนกันเกิดเป็นมหาเศรษฐีก็ต้องทุกข์ เกิดเป็นขอทานก็ต้องทุกกับความแก่ความเจ็บความตายเหมือนกันไม่ต่างกันแล้วก็ต้องมีการสูญเสียพลาดพาดจากสิ่งที่เรารักที่เราชอบเหมือนกันทุกคนไปถ้าเราอยากไม่ต้องเจอความทุกข์เหล่านี้ก็อย่ากลับมาเกิดอันนี้เป็นเป้าหมายของชาวพุทธเราที่พุทธเจ้าได้ท่งมอบมาให้กับพวกเราเป็นทางเราเป็นวิธีแก้ปัญหาความทุกข์อย่างสมบูรณ์ทุกจะหมดสิ้นไป อย่างลาบครับถ้าเราไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปแต่พวกเราทุกคนนี้สามารถทําได้ไม่ว่าเราจะเป็นหญิงหรือเป็นชายเป็นนักบวชหรือเป็นคฆราวาสอันนี้ไม่ใช่เป็นประเด็นสําคัญประเด็นสําคัญอยู่ที่ว่าเราทําได้หรือไม่ได้<ม>ซึ่งเราทุกคนมีความสามารถทําได้เหมือนกันหมดเรามีจิตใจผู้รู้ผู้คิดเหมือนกัน ผู้เล่นของเรามีความสามารถเหมือนกันอยู่ที่เราจะพัฒนามันขึ้นมาอยู่หรือไม่อยู่ที่เราสามารถทําทานได้หรือไม่รักษาศีลได้หรือไม่ภาวนาได้หรือไม่ถ้าเราสามารถทําทานได้รักษาศีลได้ภาวนาได้เราก็หลุดพ้นจากความทุกข์ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้อย่าไปมองที่เพศอย่าไปมองที่วัยอย่าไปมองที่สถานภาพว่าเป็นนักบวชหรือเป็นผู้คลองเรือขอเราดูที่การกระทําของเรา ว่าเราทำได้หรือไม่ได้ทานศีลภาวนาถ้าเราทำได้เราก็หลุดพ้นได้และทุกคนสามารถทำได้ถ้ามีความตั้งใจมีความศรัทธาความเชื่อมั่นในในคำสอนของพระพุทธเจ้าเออพราะพระพุทธเจ้าสอนให้กับพวกเราทุกคนไม่ได้เลือกสอนให้สอนให้แต่คนนั้นคนนี้เพียงอย่างเดียวเออพราะพระพุทธเจ้าเห็นว่าใจของพวกเราทุกคนเหมือนกันมีความสามารถเท่าเทียมกันอยู่ที่จะทาหรือไม่ทาเท่านั้นเอง ถ้าทำก็ทำได้ถ้าไม่ทำก็ทำไม่ได้นี่ก็คือเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือกฎแห่งกรรมที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขออนุโมทนาให้พรยัทาวาววหาปุรปาปริปุเรนติสากลังเอวามวาอิโตทินังเปตานังอุ ป, ปกา ป, กปติ อิชิตังปัติตังตุมหังคิดเมวาสมิจตุสัพเพปุเรนโตสังกปาจันโทปนาราโสยธามณิโชติราโสยธาสัพพิติยวิวัจันตุสัพพโลกวินาศตุมาเตภวะตวันตะรายุสุขิทีขายุโกภวะ อะพิวาทนสีลิสานิจังวุฒาปจายโนจตารธรมมวทานติอายุวโนสุขังภาลามช่วงต่อไปก็เป็นช่วงถามตอบคำถาม <c oughs> ใครมีคำถามอะไรอยากจะถามก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลย ถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่วันนี้มีผู้รับฟังธรรมานากุศจากทางเฟ e บุ o กพระอาจารย์สุชาติ527ยท่านค่ะ YouTube พระสุชาติ l ล v e ส4 1 YouTube ดร V หหับ์ คับเฮาส์เจ็ดค่ะวิทยุออนไลน์สิบสองนากดหนึ่งร้อยหกสิบรวมทั้งหมดหนึ่งพันหนึ่งรอยสองท่านค่ะคำถามจากผู้รับฟังนากุดค่ะเวลาเรากรวดน้ำอุทิศบุญกุศลจำเป็นต้องกรวดน้ำแล้วลาดลงต้นไม้ไหมคะทุกครั้งไหมเจ้าคะออไม่ต้องน้าไม่เกี่ยวสิ่งที่เราทิศคือความรู้สึกความสุขใจ เราก็เพียงแต่ตั้งจิตอธิษฐานไปเท่านั้นเองว่าขอแบ่งส่วนบุญความสุขนี้ให้กับผู้ที่ล่วงับไปแล้วส่วนน้ำนี่เขาไปทำเป็นตัวอย่างของของบุญบุญมันเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าก็เลยเอาน้ำมาเปรียบเทียบว่านี่คือบุญเวลาเทน้ำจากภาชนะหนึ่งไปภาชนะหนึ่งก็เหมือนส่งบุญจากใจหนึ่งไปสู่ใจหนึ่งทันนั้นเอง ด้าน้ําที่เหลือเขาก็เลยบอกให้ไปเทใส่ต้นไม้จะได้ไม่เสียน้ําจะได้เป็นประโยชน์ถ้าไปเททิ้งละทั่วไปมันก็อาจจะทําให้เลอะเทอะได้ก็เลย อ, อุบายสอนให้คนไปถ่ายตามคนต้นไม้เป็นช่วยลดน้ําต้นไม้นะ่ะไม่ใช่อะไรหรอกน้ําจะได้ไม่เสียได้ประโยชน์ คำถามจะพูดเราฟังหน้ากุศค่ะอยากเรียนถามพระอาจารย์สุชาติครับเวลาตอนภาวนาพุโทโธแล้วได้สักพัก 20-30 ถึงนาทีแล้วมีความสุขอิ่มเอิบครับแต่เหมือนจะสะดุง้งเหมือนนั่งภาวนาจบเลยแล้วต่อจากนี้ไปจะเพราะว่าจะภาวนาอย่างใดต่อครับมาทําต่อเหมเริ่มต้นใหม่พุทโธใหม่ดูลมใหม่ไปทาบ่อยๆทํ ล, ลายๆรอบไป ทำให้ชำนาญสามารถทำใจให้สงบได้ทุกเวลาที่เราต้องการแล้วเราถึงค่อยไปขั้นปัญญาต่อไปกราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะลูกใช้วิธีพิจารณาไตาลักษะค่ะเวลาปฏิบัติในส่วนของอนิจจังกับทุกขงังค่อนข้างจะเห็นแต่ว่าส่วนของอนัตตาไม่ค่อยเห็นนะคะ อยาก อ, อ, อยากเรียนขอคำชี้แนะจากพระอาจารย์ค่ะธรว่าอนัตตาก็คือไม่มีใครไปเป็นผู้ที่ไปสั่งให้สิ่งต่างๆเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่ไม่มีไม่มีใครสั่งมันเป็นเรื่องของธรรมชาติเช่นเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่มีใครไปสั่งให้มันแก่มันเจ็บมันตายแล้วไม่มีใครไปห้ามมันได้นี่คือความหมายของอนัตตาไม่มีใครสั่งไม่มีใครห้าม มันเป็นไปตามตามเหตุตามปัจจัยเห็นนี้ให้มันเกิดมันก็เกิดเหตุนี้ให้มันแก่มันก็แก่เหตุนี้ให้มันเจ็บมันก็เจ็บเหตุนี้ให้มันตายมันก็ตายไม่มีใครมันเป็นอยู่ในเบื้องหลังไม่มีไม่มีใครทั้งนั้นไม่มีตัวตนแม้แต่เราเองที่เข How ้าคิดว่าเราเป็นตัวตนก็นไม่ใช่ตัวตนเราก็เป็นเพียงแค่ความคิดเท่านั้น เออแล้วก็ในส่วนที่พิจารณาการเกิดดับอะคะ่ะส่วนใหญ่ลูกจะเห็นฝ่ายเกิดอะคะ่ะไม่ไม่ค่อยเห็นดับมันจําเป็นต้องเห็นแบบชัดเจนทั้งเกิดดับไหมคะพระอาจารย์คือเกิดดับต้องเห็นในเรื่องที่จำ ท, ที่ที่มันกระเทือนใจเราสิ่งที่กระเทือนใจเราเวลามันดับก็คือร่างกายให้พิจารณาเรื่องกายไอ้เรื่องอื่นเนีย่ยอย่างฝนตกแดดร้อนนี่มันเกิดดับมันมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่มันมีผลกระทบต่อจิตใจเราไม่ต้องไปสนใจ เอาเรื่องที่มันมีกระทบเนี่ยเวลาเงินมามันเกิดเวลาเงินหมดมันตายเนี่ยถ้าให้ดูตรงนั้นตัวต้ออย่างมันมีเกิดมีดับเป็นธรรมดามันไม่แน่นอนสิ uh huh. ่งได้มีการเกิดขึ้นก็ ม, มีการดับไปเป็นธรรมดาให้คิดจะ น, นั uh huh. ้นให้เรายอมรับความจริงให้ได้ยอมรับว่าร่างกายของเราวันหนึ่งก็ต้องดับต้องตาย uh huh. แล้วก็มันไม่ใช่ตัวเราของเราเนี่ยมันเป็นธรรมชาติเป็นดินน้ำลมไฟ เราห้ามมันไม่ได้หยุดมันไม่ได้เราก็ต้องทำใจรับมันให้ได้ถ้าเราทำใจรับมันไม่รับับมันได้เราก็ไม่ทุกที่เราทุกเพราะเราไม่ยอมรับมันเราไม่อยากให้มันตายแต่เราก็ห้ามมันไม่ได้ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องยอมรับมันกราบขอบพระคุณค่ะพระอาจารย์ คำถามจากทาง y o u t u ู e พระอาจารย์สุชาติค่ะหลวงปู่ครับคนที่มีอุปนิสัยเป็นคนศรัทธาจริตควรปฏิบัติภาวนาอย่างไรครับก็ใช้พุโทโธถ้ศรัทธาจริตก็มีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ใช้บริกรรมพุโทโธพุธโทโธหรือสวดบทอิติปิเศไปเจริญพุทโธธรรมโสังโฆไปก็ได้คำถามจากทางบ้านค่ะ เ้าเรียนถามว่าสื่อธรรมะดีๆทำแท้เช่นนี้สามารถแชร์ต่อเป็นธรรมทานในแพลตฟอร์มอื่นได้ไหมคะได้ไม่ส่งินไม่กระสิทธ์ษษษษอยาไปแชร์ที่ไหนก็ได้อย่าไปเก็บเงินเก็บทองแล้วลกทำ<ๆ> ม, มีใครอยากจะถามอะไรงไหมเชิญถามได้นยเดี๋ยวเอาเอาไมโครโฟนไปก็ได้ส่งไปให้กันหน่อยอ่า ไ้ส่งไปใหนมันด้านหลังออขอกราบทาพระอาจารย์ครับพอดีมีคนฝากถามมาอีกทีหนึ่งครับ พระพุทธเจ้าในในพระชาติสุดท้ายครับที่เป็นพระเวสสันดรนะครับพ่าน<ค>ังไหนแล้วเขาจะยืนครับพระพุทธเจ้าที่เกิดชาติสุดท้ายก่อนที่มาเป็นพระพุทธเจ้าะครับเป็นพระเวสสันดรนะครับ ค, คือท่านมีการบริจาคบุตรและภรรยาครับ ค, คืออยากทราบว่าการที่ท่านบริจาคบุตรและภรรยาอย่างเงี้ยมันเป็นการที่แบบว่าเหมือนกับเป็นการ ผมไม่หมดไลฟ์ทารุนหรือเปล่าไม่ลักลูกรักงเมียหรือเปล่าเหมือนเหมือนถ้าอาจจะเป็นอย่างนั้นว่าถ้าอาจจะเบื่อแล้วก็ได้นไม่รู้เหมือนกันเลยข้ากมขึ้นมาครับแต่ก็ถือว่าไม่ที่เป็นเรื่องที่มันท่านถือเป็นข้อสอบครับท่านสามารถตัดได้ไหมครับท่านก็พร้อมที่จะตัดทุกอย่าง ทาได้ที่การบริจาคเขาแล้ไม่เรื่องไปทำให้เขาเดือนร้อยเขาก็อยากมากก็ไปอยู่กับคนอื่นแทนนั้นนี่เขาก็มีคนดูแลแทนท่านท่านอยากจะตัดความผูกพันในทุกสิ่งทุกอย่างนั้นใครอยากจะขออะไรท่านให้ได้ท่านก็ยินดีที่จะให้เป็นการสร้างทานบารมีครับแต่ก็เป็นสิทธิ์ของบุตรและภรรยาด้วยเหมือนกันใช่ไหมครับที่จะก็แล้วแต่เขาเขาจะไปด้วยไม่ด้วยก็ไม่เรื่องของเขาไม่เรืเ่องบังับของเค คุณมีแฟนนี้แล้วคุณก็อนุญาตถ้าอยากเขาอยากจะไปมีแฟนใหม่ก็ปล่อยเขาไปโอเคแต่ถ้าเขาไม่อยากไปก็ไม่ต้องไปบังคับเขาให้เขาไปครับหมดคำถามครับ ม, มีใครถามอีกไหมครับเอ่อศาบเรีเดชว่ า, าจารนะครับเมื่อกี้ที่บอกว่าตอนภาวนาพุทโธแล้วมี อิจิมเอิบนะครับตอนภาวนาเนี่ยจังหวะที่ภาวนาเสร็จเนี่ยมันรู้สึกเหมือนกับมันจบเลยนะครับแล้วเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าจะให้ภาวนาต่ อ, อ, อผมก็ภาวนาต่อนะฮะมันเหมือนแบบเราเราชาร์จแบตไว้อย่างเงี้ยนะมันเต็มแล้ว แล้วเราจะให้ภาวนาต่ อ, อยังไงครับเมันเต็มแล้วคือมันเต็มแนละ้ว ค, คือสติละหมดกําลังมากกว่ามันไม่มีกําลังที่จะนั่งต่อแลนะถ้าอยากจะนั่งต่อก็ต้องสร้างสติขึ้นมาใหม่ต้องพุโทโธพุโทโธพุโทโธใหม่เหมือนไปแต่ถ้่พาะผมผมก็นั่งนั่งต่อได้อีกสักระยะหนึ่งนะออก็นั่งนั่งปฏิบัติบางทีเขานั่งทั้งวันทั้งคืนะแต่ก็นั่งไม่ไหวเขาก็ลุกขึ้นมาเดินจงกรมแทน มาสร้างสติเพิ่มขึ้นใหม่ด้วยการเดินจงกรมพราะเวลาเดินจงกรมก็ต้องมีสติมีสติอยู่กับการเดินนล่มีสติอยู่กับํำบริกรรมพุทโธไปพอเดินจนเมื่อยแล้วเราก็กลับมานั่งต่อได้อีกรองคือไม่อยากให้ไปทำอะไรนอกจากหาความสุขจากการทำใจให้สงบเพียงอย่างเดียวเพ<ม>ราะถ้าเราไม่ไม่ทำทาสมาธิเดี๋ยวเราถูกกิเลส ด, ดึงไปหาความสุขจากกินกาแฟากินขนมอะไร่นี้ได้ ให้เราต้องการตัดไอ้เรื่องเหล่านี้ไปให้หมดก็เลยต้องพยายามทําต่อไปเรื่อยๆไม่ให้มีเวลาไปทํากิจอย่างอื่นไม่ให้มีเวลาไปหาความสุขชนิดอื่นให้อาความสุขจากการทําใจให้สงบเป็นอย่างเดียวแต่ว่าผมผมนั่งนะฮะก็ก็มีความสุขนะครับแล้วแล้วก็ปฏิบัติโอเคก็แน่นอนมันก็มีความสุขแค่ช่วงนั้นรอบนั้นแต่เดี๋ยวมันก็จะเกิดความหิวขึ้นมา เกิดความอยากขึ้นมาอยากได้นู่นอยากได้นี่อยากไปนู่นอยากมานี่ถ้าเราไม่คุมมันไวเดี๋ยวมันก็พาเราไปมนู่นมานี่แต่ถ้าเราคุมด้วยการเข้าสมาธิต่อมันก็ไปไหนมาไหนไม่ได้เราต้องการหยุดความอยากทั้งหมดะเวลาเกิดความอยากขึ้นมาเราก็ต้องหยุดมันละต้องกลับเข้าไปนั่งสมาธิใหม่แล้วถ้าอยากจะกินขนมอยากจะดื่มเครื่องดื่มที่ไม่จําเป็นจะต้องกินต้องดื่มก็ต้องหยุดมัน แ ต, แต่มันเป็นอย่างนี้ทุกครั้งที่ทุกวันเลยนะฮะที่เป็นมันเป็นยังไงอก็นั่งอย่างเงี้ยเวลามันถึงเวลาทักยี่สิบห้าถึงสามสิบนาทีเนี่ยผมอย่างเงีมันสะดุ้งอ๊บเอ๊ะก็กเกเรมันกกเกเรเกเรมันสะดุ้งมันอยากมันอยากจะเลิกแล้วมันก็เลยทําให้เราสะดุ้งขึแต่แต่ถ้าตอนกลางคืนนั่งก็ไม่มีไม่มีอะไรนะฮะปกติเลยไม่มีก็ดีครับ ถ้ามีก็อย่าอย่าไปทําตามมันถ้ามันถ้ามันสะลุงแล้วก็กลับมาทําต่อใหม่เริ่มใหม่ก็ภา ว, วนาไปอ่าทําไปเรื่อยๆทําให้มากมากเท่าไหร่ยิ่งดียิ่งมากเท่าไหร่ชั่วโมงบินได้มากเท่าไหร่ยิ่งดีอม่กราบขอบพระคุณครับน้อมกราบน้ำรส ก, การพระอาจารย์เจ้าค่ะพอดีพระอาจารย์เคยสอนว่าสุขทุกข์อยู่ที่ใจเวลาหนูทําบุญหนูก็มีความสุข แต่ความสุขของหนูมันจะอยู่แค่แป๊บเดียวแล้วก็พอเวลาเราทำความทุกข์ความทุกข์ทำไมมันถึงอยู่นานคะผ้าจา์ก็คือนอนก็ไม่หลับก็คือ พ, อ เ, พอเราไปคิดถึงมันดเลยถ้าไม่คิดถึงมันมันก็หายไปแล้ว <c oughs> เราชอบไปคิดถึงมันมันก็เลยทุกข์ไปเรื่อยๆถ้าเราไม่คิดถึงมันมันก็หายไป <c oughs> แต่มันมันจำมากกว่าความสุขที่เราทำบุญนะคะพระอาจารย์ตื่นขึ้นมาปุ๊บก็ก็เป็นเรื่องของเราแล้วก็พยายามอย่าไปจำมันเลยพอมันจะจำก็เราก็ใช้พุโทโธพุโทโธลบมันออกไปค่ะนิดเดียวมันก็มันก็ผิดแล้วพระอาจารย์เพราะว่าสมมุติว่าถ้าเราไปทะเลาะกับใครนะมันฝังฝังแล้วก็นอนทําให้เรานอนไม่หลับก็ อ, อย่าไปคิดถึงมันเลยก็ลบมันไปพุทโธพุโทโธพุโทพโธไป เราไม่มีพุโทโธเราไม่มียางลบค่ะแล้วเกิดสมมติว่าถ้าเราตายในช่วงที่เรากำลังแบบมันทุกข์อย่างเงี้ยเราจะทำยังไงแล้วมันจะไปอบายไหมคะพระอาจารย์ก็ไม่แน่มันก็อยู่ที่บุญที่เราทำไว้ว่ามันจะมาต้านมันไหวหรือเปล่ า, าบุญมีมากกว่ามันก็มันก็ไม่ไปอบายบุญก็ยังจะเดึงไปไปสุคติอยู่ จ้าค่ะอย่างที่ว่าที่หนูไม่สบายใจก็คือไปแบบว่ามีมีปากเสียงกับลูกน้องนิดหน่อยอะไรอย่างนี้ยค่ะแล้วก็เขาก็โกรธเราแล้วเราก็ช่วงขณะนั้นช่วงช่วงนั้นเท่าเองแล้เดี๋ยวมันก็หายไปอาจจะใช้เวลาช้าหน่อยมากหน่อยมันก็ไม่ได้เป็นตัวที่ยามาตัดสินว่าเราจะไปหรือไปดีหรือไม่ดีแต่ไปดีไม่ดีมันก็อยู่ที่บุญรือ บ, บาปที่เราทําทั้งหมดเนี่ยส่วนไหนมันจะมากกว่ากันเจ้าค่ะกลับขอบพระคุณเจ้าค่ะพระอาจารย์ ทำสัผูร้รฟังนากุดค่ะเวลาทำบุญบ่อยๆมาจะเจอวิญญาณมาขอส่วนบุญทำให้กลัวซึ่งขอแนะนจึงขอคำแนะนำจากพระอาจารย์เจ้าค่ะว่า ม, มีวิธีป้องกันผีได้อย่างไรค ะ, ะไม่มีละผีจริงไม่หลอกผีหลอกไม่จริงส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องความคิดปรุงแต่งของเราปรุงแต่งขึ้นมาเองวิธีแก้ก็คือพุทโธพุทโธไปเวลาผีมาก็จเจริญสติมันก็จะหยุดผีได้ อวามผิดมันมาจากการตรงแต่งเ่าหมดแล้วเหรอคะยังไม่มีคำถามค่ะวันนี้ก็เอาท่านนี้ก่อยกันแล้วกันนะขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ